ชีวิตอัตภาพของท่านเนี่ยนะมีเพื่ออบรมความบริบูรณ์แห่งการศึกษาตามลำดับคือท่านมีชีวิตมีอัตภาพเพื่อการศึกษาคำว่าศึกษาในที่นี้ศึกษาอาธิเีณมีอัตภาพเพื่ออบรมอธิเีลเพื่ออบรมอธิจิตและอธิปัญญาเพราะการสร้างเสลแผกกว้างขวางอย่างมากหาประมาณไม่ได้ จึงแนะนำผู้อื่นในเรื่องศีลได้ตัวเองเป็นผู้อบรมสมาธิโดยนิยต่างๆโดยประการต่างๆจึงแนะนำให้ผู้อื่นเจริญสมาธิเจริญอธิจิตได้ตัวเองเป็นผู้อบรมปัญญาเนี่ยนะอย่างกว้างขวางหาประมาณไม่ได้จึงแนะนำให้ผู้อื่นเจริญปัญญาได้พันก็คิดว่ามีชีวิตมีอัตภาพอยู่ก็เพียงเพื่อการ ศึกษาคำว่าศึกษาก็คือการเจริญอธิสีละสิกขามีอัตภาพเพื่อการเจริญอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาสิกขาเพราะว่าบารมีทั้งหมดย่อลงมาก็คือสีนสมาธิและปัญญานั่นแหละบำเพ็ญจนได้บรรลุบารมีอย่างอุกฤษสุดยอดเหมือนกันสุดยอดไม่มีอะไรที่สละเพื่อสีนสมาธิปัญญาไม่ได้อีกแล้วไม่มีอะไรที่สละเพื่อโพธิสมภาร ไม่ได้อีกแล้วแล้วได้รับการบ่มจนโพธิสมผานนี้ถึงพร้อมเนี่ยนะถึงพร้อมถึงพร้อมตอนไหนตอนที่เป็นอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็ตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธะออกผนวชแล้วก็ได้ตรัสรู้ที่โพธิบัลลังก์นั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่างพาหุงสหสมพินิ ม, มิตาสาวุทันตังเป็นต้นเนี่ยนะพญามารมาเนี่ยพระองค์อ้างอะไรในการต่อสู้พญามาร ก็อาศัยบารมีทั้งสิบประการนั่นแหละอาศัยบุญบารมีคุณงามความดีที่เคยประพฤติมาตลอดการหาประมาณไม่ได้เป็นข้ออ้างในการชนะมาและพระองค์ก็รู้ตัวว่าพระองค์อบรมมาขนาดนั้นบรลังอ น, นั้นจึงสมควรแก่พระองค์ในที่สุดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้จริ ง, รงๆเนี่ยนะก็เป็นอนุภาพที่ ยอดเยี่ยมประกาศอย่างเช่นแค่ธรรมจักสูตรเดียวนี่ก็แสงสว่างอันโอฬานก็ได้ไปตลอดหมื่นโลกธาตุเนี่ยนะตลอดหมื่นโลกธาตุสูตรนี้มนุษย์คือพระัญยาโกนธัญญารบรรลุแต่ว่าเทวดาและพรหมบรรลุมากเนี่ยนะโดยเฉพาะพรหมนี่บรรลุประมาณ18โกดเนี่ยนะก็ร้อยล้านเป็นต้นเนี่ยนะทั้งทุกอย่างเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นอจินไตยที่บุคคลธรรมดาทั่วๆไปนั้นยากที่จะคิดได้เพราะฉะนั้น พระโพธิสัตว์องค์หลังๆมาเนี่ยนะที่มีข้อปฏิบัติปฏิปทาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันก็บอกว่าเราก็พึงปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยนะคือข้อปฏิบัติพระโพธิสัตว์อย่างเช่นพระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยนะถ้าหากว่าท่านเป็นพระศรีอริยะเมตไตรที่เป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็จะปฏิบัติปฏิปทาเพื่อโพธิสมภารเช่นกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเหล่านั้นทั้งหมดนั่นแหละ พันท่านก็มีการปฏิบัติชอบในศิกขาเมีอธิสิระสิกขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาไม่สละความเพียรไม่สละความพยายามมีศรัทธานําหน้าแปลว่ามีศรัทธาเป็นปุเรจาริกปุเรปุเรเนี่ยแปลว่านําหน้ามีศรัทธานําหน้าไปก่อนโดยคิดว่าแม้เราก็จะบําเพ็ญศิกขาให้บริบูรณ์ตามลําดับด้วยการปฏิบัติแล้วจากบรรลุ ตามถึงบทนั้นโดยส่วนเดียวเราจะทำตามแล้วเราจะตรัสรู้พระพุทธเจ้าเหล่านั้นสร้างบารมีเช่นใดจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม้เราก็จะสร้างบารมีเหล่านั้นเพื่อการตรัสรู้เช่นนั้นเหมือนกันเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ทั้งหลายท่านมีความคิดอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างอุกฤกษเหตุผลอันนี้เนี่ยนะที่ที่ว่าฟังแล้วปฏิบัติยากทายากเนี่ยนะที่บอกว่าพุทุกาโททุโพเนี่ยนะ การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากยากอะไรก็มาดูศึกษาบารมีแต่ละอย่างใครมั่งจะปฏิบัติตามแนวจริยาปิดกอย่างเต็มเปี่ยมอย่างที่เราเอามาเรียนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เรียกว่าน้ําน้ําแก้วเดียวในบรรดาน้ําเป็นที่เรียกว่าเยอะแยะมากมายเนี่ยเอาน้ําแก้วเดียวเท่านั้นแหละมาเรียนเนี่ยเรียกว่าเรียนน้ําแก้วเดียวของขั้นเราเรียนเรื่องบุญแม้แต่เพียงเล็กน้อยเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่บุญตลอดกลับนี่ยยังมากกว่านี้เยอะที่ไม่เอามาแสดงเนี่ยที่ไม่เอามาแสดงแล้ว ตั้งสี่อสงไขยแสนกับที่เหลือล่ะอยู่ที่ไหนแล้วก่อนหน้านั้นอีกอยู่ที่ไหนที่เราไม่ไม่มีผู้ใดรู้เนี่ยนะไม่มีผู้ใดรู้เพราะพระองค์ไม่ไดเอามากล่าวเปิดเผยทั้งหมดเนี่ยนะมันรู้ว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากเนี่ยนะการศึกษาจริยาปีดกเราจะรู้จากพระปุพพจริยาคุณที่เป็นบุญเป็นอุปนิสัยเป็นวาสนาเป็นบารมีที่ทําให้พระพุทธเจ้าบรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้าช่วย เทวดาและมนุษย์ออกจากสังสารทุกข์โดยชอบต่อไปอันหนึ่งพระมหาบุรุษนั้นเป็นผู้ปกปิดความดีเปิดเผยแต่ความชั่วคือหมายกันว่าถ้าท่านมีความดีอะไรก็ปิดปิดเงียบเลยนะแต่ว่าถ้ามีความชั่วใดๆก็เปิดเปิดเปิดเปิดมาหมดแปลว่าคุณงามความดีบุญกุศลแต่คิดง่า ย, ายๆว่าใครมีทรัพย์ไปที่ไหนเปิดตัวไหมโอ้โหมีเท่านั้นมีเท่านี้บัญชีเท่านั้นมีรายได้เท่านี้เป็นต้นเนี่ยนะ ถามว่าเข้าทำกันอย่างนั้นไหมฉันใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเมื่อท่านทำบุญกุศลคุณงามความดีก็นั่นก็ทำมากพอทำมากนก็ไม่ไม่พูดแต่ก็เปิดเผยสิ่งที่เป็นความชั่วเปิดเผยบาปเนี่ยนะโดยปกติแล้วพื้นฐานเป็นผู้ที่มักน้อยคำว่ามักน้อยก็คือมักน้อยในอะไรเช่นมักน้อยในมหาพูดแต่ไม่ได้มักน้อยในกุศลนะยินดีในการเจริญกุศลอย่างหาประมาณไม่ได้ แต่มักน้อยในมหาภูตรูปทั้งหลายคําว่ามากัมากมักไอ้มกัมกมากนี่แปลว่าอะไรแปลว่าไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพอบอกว่าคนมกักมากเหมือนอะไรเหมือนกับทะเลว่ากั้นทะเลเนี่ยเอาน้ําแค่ไหนไปถมก็ไม่พอกองไฟเนี่ยใส่ฟืนแค่ไหนจึงจะรู้จักพอผู้มกักมากทั้งหลายก็ฉันนั้นแต่นี้ท่านเป็นผู้มักน้อยในปัจจัยสี่เหล่านั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมักน้อยใน ปริยัตหมายเขาว่าถึงจะมีความรู้มากมายขนาดไหนก็ไม่เปิดเผยว่าตัวเองมีความรอบรู้ขนาดไหนเรียกมักน้อยในปริยัตมักน้อยในทุดงเช่นถ้ามีความประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสก็ไม่บอกว่าตัวเองรักษาทุดงเป็นต้นก็ปกปิดคุณงามความดีเนี่ยนะปกปิดคุณงามความดีทั้งหลายแต่ถ้ามีความชั่วนิดๆหน่อยๆก็เอามาเปิดเผยละเนี่ยนะซึ่งตรงกันข้ามกับคนพานคนพานมีความดีนิดเดียวเล่าแล้วไม่รู้จะจบว่างั้น เล่าอวดนะีไม่ใช่เล่าแบบระลึกถึงความดีที่ทำมาไม่ใช่แต่เที่ยวอวดเที่ยวข่มคนอื่นไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นที่ทำบาปใหญ่ถ้าภูเขาขนาดไหนะก็เอาใบมะขามไปแปะแปะไว้หน่อยหนึ่งแค่นั้นนะก็มรคน้อยในปริยัตมรคน้อยในในทู่ดงเป็นต้นแล้วก็ผู้สันโดษนปัจใจสี่สันโดษนปัจใจสี่ยินดีน วิเวกเนี่ยนะกายวิเวกจิตวิเวกมุ่งอุปธิวิเวกไม่คลุกคลีด้วยการเห็นเป็นต้นที่เกื้อกูลต่อบาปและอกุศลโดยรวมแล้วท่านเป็นผู้ที่อดทนต่อทุกยังนึกนะท่านทนทาไมทาไมทนได้ขนาดนั้นม้เป็นผู้ที่อดทนทุกเนี่ยนะอดทนทุกโดยเฉพาะทุกทางร่างกายแล้วก็จิตใจเพราะการทำกุศลแต่ละอย่างเพื่อที่จะช่วยสเนี่ยนะนับว่าเป็นความลาบากทางจิตใจไม่ใช่น้อย แต่ก็ทนความทุกข์ทางกายและใจโดยที่ไม่มีความหวัดสะดุง้งไม่สะดุงง้งเหมือนกันเถอะรวมแล้วไม่ฟุง้งซ่านนะนะไม่ฟุง้งซ่านคนฟุ้งซ่านเป็นยังไงนั่งสามนาทีเนี่ยคิดได้สิบยี่สิบสสิบเรื่องคิดเรื่องนี้ยังไม่จบ ก, ก็ไปเรื่องอื่นแล้วก็พอไปเรื่องอื่นแล้ววกกลับมาเรื่องเก่าจนคนอื่นงงไปหมดเรียกว่าคนฟุง้งซ่านเหมั้นกันเรียกว่าตาเนี่ยเป็นยังไงเม่อลอยอันหนึ่งกับ โอ้ยล็กแกๆเหมือนกับลูกหลานพญาหานุมานมาเกิดงั้นนะ่ะนะตาลักษณะนั้นเรียกว่าคนฟุง้งซ่านหรือไม่ก็เหม่อใจที่ไหนก็ไม่รู้ลอยไปเรื่อยทีจะสิ้นชีวิตเลยยังไม่รู้ตัว ม, ตมือเต็มเม่อลอยแล้วก็ไม่เยอ่อยิงคนเยอ่อยิงก็คือเป็นไงเาเรียกว่าพยองอัะ น, นะ ก, ก็เยอ่อยิงพยองแล้วก็ลำพองพวกลักษณะนี้เาเรียกว่าเย่อยิงก็ไม่ใช่ลักษณะนั้น นะโดยรวมแล้วพื้นฐานไม่ใช่คนเย่อหญิงไม่ใช่คนลำพองไม่หวั่นไหวแต่ก็ไม่ใช่ง้องแต่คือปกติรวมแล้วเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่ปากร้ายเนี่ยนะก็คือใช้วาจาได้อย่างดีเยี่ยมเพราะว่าการใช้วาจาเพื่อให้ช่วยเขาให้พ้นจากทุกข์ได้อย่างไรแล้วก็ไม่แสหาเรื่องเรียกว่าไม่แกว่งมือไปหาเสี้ยนไม่แกว่งไปหาเสี้ยนนะ ที่รูปไปรูปมาเคยรูปเตียงไหมรูปไปรูปมารูปมารูปไปเสี้ยนติดมือเลยก็มีเนี่ยนะติดที่มือธรรมดาติดที่เล็บด้วยนี่ยแหมมยุ่งมากนี้ฉันใดรวมๆแล้วมีกายกรรมวจีกรรมไม่แสหาเรื่องบางคนนี่มันแสะนะแสะทางความคิดกันคิดจนได้ไม่สบายใจอยู่ๆก็สบายใจดีอยู่แล้วก็แสคิดไปจนลำบากใจก็มีบางคนนี่นะพูดจนได้ทะเลาะกันเนี่ยนะก็เรียกว่าแสหาเรื่อง บางคนเนี่ยมีพฤติกรรมจนตัวเองต้องลำบากจนโบราณภาษาไทยใช้คำว่าไม่มีเฮาหาเฮาใสหัวเนี่ยในลักษณะนั้นคือปกติแล้วไม่สร้างปัญหาใหม่ๆขึ้นปัญหาที่มีอยู่แล้วทั้งหมดก็แก้ไขไม่แสหาปัญหาใหม่ๆมาเพิ่มเติมขึ้นอันนั้นก็เรียกว่าไม่ไม่ไมสแสวงหาทุกมาทับถมมุ่งบำบัดความทุกข์ที่มีอยู่ มีอินทรีย์สงบอินทรีย์สงบก็คือสัรวมตาสัรวมตาไม่เห็นสิ่งที่เป็นบาปเพื่อจะไปดูสิ่งที่เกื้อกูลต่อบาปไม่มีหูเพื่อไปฟังอะไรที่มันเกื้อกูลต่อบาปนะแล้วก็สัมรวมมือสัมรวมเท้าเป็นต้นมีจิตใจที่สงบปราศจากการใช้ชีวิตที่เรียกว่ามิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ชีวิตด้วยเล่กลก็กลหลอกลวงเนี่ยนะมีมายามีการหลอกลวงไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยอำนาจการ หลอกลวงเนี่ยเาเรียกว่าร้อยเล่เพ่ทุบายเพื่อแสวงหาปัจจัยก็ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นถึงพร้อมด้วยอาจาระเนี่ยนะอาจาระทางกายอาจาระทางวาจาทั้งในหมู่คณะแล้วก็ในบุคคลทุกการสถานที่แล้วก็โคจรไปในที่ที่สมควรไปที่ไม่ใกล้ต่อบาปอกุศลเห็นภายในโทษแม้มีประมาณน้อยเนี่ยนะก็เห็นโทษเช่นว่าเห็น เรื่องราวที่จะสร้างความเสียหายเล็กน้อยก็มองเห็นว่าใหญ่เท่าภูเขาเหล่ากาหรือเขาเรียกว่าเห็นบาปอากุศลที่เกิดขึ้นในใจแม้เล็กน้อยใหญ่เท่ากับก้อนเมฆที่ลอยโครจรมาสมาทานศึกษาในศิขาบททั้งหลายนะสมาทานศึกษาในศิขาบทว่าด้วยเว้นจากปานาติบาสมาทานในศิขาบทเว้นจากอธินนาทานการเมสุมิจฉาจารสมาทานประพฤติศิขาบทไม่ว่าจะเป็นไปตามกุศลกรรมบท หรือสีนห้าีนแอุโบสถศีนสิทธก็รีสิกขาบท50สกขาบท8ปสิกขาบท10สิกขาบทที่มีในพระปาติโมกเป็นต้นก็เครียกว่าพยายามสังวรรักษาบทที่สมควรแก่การศึกษาเพื่อเป็นบาดฐานเป็นภาชนะรองรับคุณธรรมทั้งหลายเป็นผู้ปรารบความเพียนทางกายและจิตใจมีตนมั่นคงเจริญบุญกุศลไม่คํานึง เกีว่าไม่อะไรในร่างกายและชีวิตเกี่ยว่าเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อคนงามความดีอุทิศร่างกายและชีวิตเพื่อบุญกุศลได้ก็แล้นมีอุทิศทุกอย่างเพื่อบา ร, รมีทั้งหลายเพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ยอมรับบาปอากุศลเนี่ยนะละบันเทาอภิชาในกายและชีวิตเกี่ยวกัไม่ไม่ยอมรับการยึดติดในร่างกายในชีวิตแม้มีประมาณน้อย เราเป็นคนโดยพื้นฐานและไม่ได้อาลัยในร่างกายและชีวิตเลยอุทิศร่างกายและชีวิตเพื่อการสร้างบารมีจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกพานร่างกายและชีวิตแม้แต่นิดเดียวยังไม่อาลัยจะกล่าวไปใหญ่ถึงแบบติดข้องหนับขนาดนั้นไม่เรียกว่าละความยุติิดในร่างกายและชีวิต ละบันเทาความเศร้ามองทั้งหลายอุปกิเลสคือเรื่องเรื่องที่มันเศร้ามองภายในจิตใจไม่ว่าจะเป็นความโกรธความผูกโกรธลบลู่ตีเสมอถือตัวแข่งดีมายาสาไถความริษยามัจฉริยะความเมาความประมาทเป็นต้นก็เป็นคนที่มุ่งละบาปละอกุศลที่เป็นอุปกิเลสภายในเพราะว่าความเยื่อใยในร่างกายและชีวิตบาปอากุศลที่เป็นเครื่องเศร้ามองภายใน สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุแห่งความทุศีลแม้ทั้งปวงนะก็คือมุ่งบำบัดกําจัดอากุศลลัทธิ์เพราะว่าเป็นเหตุให้ทุศีลเป็นเหตุให้ถึงบาปประกรรมทั้งหลายเป็นผู้ไม่ยินดีด้วยการบรรลุธรรมอันวิเศษมีประมาณน้อยคือไม่สันโดษในคุณธรรมชั้นระดับล่างๆไม่สันโดษในแค่ศีลศีลมัตตะกังโอระมัตตะกังเนี่ยนะไม่สันโดษในศีนะศีเนี่ยเป็นของเล็ก เป็นของน้อยไม่สันโดษแค่ในสมสถะทั้งหลายไม่สันโดษในวิปัสสนาระดับล่างๆปฏิบัติโน้นได้สังขารุเปเกขาญาณนั่นแหละจึงเขาเรียกว่า ค, ค่อยพอเขาว่ากันเราไม่สันโดษในอธิศีอัทิจิตและอธิปัญญาทั้งหลายไม่ท้อใจไม่มีความท้อแท้ในการเจริญกุศลมีแต่ความพยายามเพื่อจะ บ, บรรลุธรรมที่พิเศษวิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปมียิ่งแต่เพิ่ม คุณธรรมไม่ว่าจะเป็นสมาบัติตามที่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นศีลสมถาวิปั ส, สนาตามที่ตัวเองเจริญแล้วไม่มีส่วนแห่งหาณนะภาคยะไม่ใช่ว่าโอ้ศีลกระร่องกระแร่งเกือบจะขาดเต็มทีแล้วจะขาดไม่ขาดแล่จใจก็พร้อมที่จะเสื่อมจากฌานไปต้นไม่ใช่ลักษณะนั้นหรือกุศลธรรมเหล่าใดเนี่ยนะแค่ดำรงอยู่หยุดอยู่ไม่มีแต่วิเศษภาคยะ มีแต่ก็มุ่งสร้างประมาณแห่งบุญกุศลคุณงามความดีให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอันหนึ่งพระมหาบรุษนั้นเป็นคนที่นำคนตาบอดช่วยคนตาบอดโดยการบอกทางช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกลุ่มคนตาบอดให้สัญญาด้วยนิ้วมือแก่คนหูหนวกอนุเคราะห์ประโยชน์แก่คนใบก็เหมือนกันช่วยเหลือแม้กระทั่งช่วยคนตาบอดช่วยคนหูหนวกช่วยคนใบ นะช่วยคนตาบอดตัวเองก็ได้มีไรมีพุทธจักสูเป็นต้นช่วยคนหูหนวกพระองค์ก็ได้มีหูหูทิพเป็นต้นเนี่ยนะช่วยคนใบก็ทำให้พระองค์มีวาจากล่าวอริยสัจธรรมเป็นต้นนั่นเองแล้วก็ยังให้ให้ตังคือให้ที่นั่งให้ยานแก่คนพิการหรือช่วยนำพาคนพิการไปให้เขาถึงจุดหมายที่เขาปรารถนา ช่วยพยายามให้คนที่ไม่มีศรัทธาให้เขามีศรัทธาคนที่ยังไม่มีศรัทธาไม่รู้จักคุณของพระพุทธเจ้าก็ช่วยเหลือให้เขารู้จักคุณของพระพุทธเจ้าเขาไม่รู้จักคุณของพระธรรมก็แนะนําให้เขารู้จักคุณของพระธรรมแปลว่าแนะนําให้รู้จักความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าให้รู้จักความเป็นธรรมดีของพระธรรมให้รู้จักความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ให้เขามีปัญญามีกรรมสักการะรู้กรรมรู้ผลของกรรมเป็นต้น จึงพยายามให้เขามีศรทัทธาเรียกว่าให้ถึงสารณะนั่นแหละหรือช่วยบ่มสัตทินรียให้เขาเกิดขึ้นให้เขาได้คบสัตบุรุษให้เขาได้ฟังธรรมของสัตบุรุษให้เขามีโยนิโสมนัสิการเขาจะได้ปฏิบัติธรรมเพื่อสมควรแก่โลกุตระธรรมทั้งหลายช่วยเหลือคนที่ขี้เกียจให้เขามีความภาคเพียรพยายามให้คนที่เกลือกกลั้วติดอยู่กับบาปอากุศลให้ออกจาก บาปอากุศลเพิ่มพูนบุญกุศลให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปช่วยเหลือคนที่หลงลืมให้มีสติสัมปชัญญะระลึกได้ในบาปบุญคุณโทษ ร, ระลึกได้ในกายเวทนาจิตธรรมเป็นต้นช่วยเหลือคนที่มีความวุ่นวายทางจิตใจให้เขามีใจตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านด้วยคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิช่วยให้เขาได้ปสมฌานเป็นต้น ช่วยคนที่มีปัญญาสามภาคเพียรพยายามให้เขามีกรรมสกตาปัญญาหรือมีสุตมยะปัญญาจินตามะยะปัญญาหรือภาวนามยะปัญญาช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่หมกมุ่นในการมาฉันทะให้ออกจากกามาฉันทะช่วยเหลือคนที่มักโกรธให้หายโกรธช่วยคนที่มักง่วงมักซึมให้หายง่วงหายซึมเป็นต้นช่วยเหลือคนที่ฟุ้งซ่านราคาญใจให้หายจากความ ฟุ้งซ่านรำคาญหรือคนที่มีคนมักลังเลสงสัยเอาอะไรแน่เป็นได้พยายามให้เขาพ้นจากวิจิกิจฉาความสงสัยให้ให้เขาข้ามพ้นจากความสงสัยในอดีตไม่ให้สงสัยในอนาคตไม่ให้สงสัยทั้งอดีตและอนาคตไม่ให้สงสัยในปฏิจจสมบาทมุ่งกําจัดความสงสัยในพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในศิกขาทั้งหลายเนี่ยนะก็คือช่วยให้เขามีอินทรีย์ห้าช่วยให้เขาละนิวรังทั้งห้า ช่วยให้คนที่มีกามาวิตกออกจากกามาวิตกช่วยให้คนที่มีพยาบาทวิตกให้ออกจากพยาบาทวิตกช่วยให้คนที่มีวิหิงสาวิตกออกจากวิหิงสาวิตกช่วยให้คนที่มีมิจฉาวาจาให้เป็นสัมมาวาจาช่วยให้คนที่มีมิจฉากรรมมันตะเป็นสัมมากรรมมันตะก็คือช่วยให้คนที่มีมิจฉาอาชีวะตั้งมั่นอยู่ในสัมมาอาชีวะเป็นต้นก็คือช่วยให้เขาเจริญในข้อปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์ อาศัยความเป็นผู้รู้คุณที่ทำแล้วแก่สัตว์ผู้เป็นบุพ ก, การีรู้เลยนะว่าเออคนนี้เป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้ที่เคยช่วยเหลือเรามาก่อนเป็นผู้ที่มี verses, อุปการะคุณแก่เรามากก็จะพูดขึ้นมาก่อนเห็นผู้มีพระคุณไม่ใช่ให้ผู้มีพระคุณทักเราเป็นผู้ที่เข้าไปทักผู้มีพระคุณคือ ว, ว่าพูดก่อนก่อนที่ผู้มีพระคุณจะจะพูดกับเราพูดคาพูดที่น่ารัก ไม่ให้เขาลำบากใจมีการสงเคราะห์สงเคราะห์ก็คือช่วยบำบัดความทุกข์เขามีความทุกข์ใดๆก็ช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์นั้นๆมีการนับถือผู้มีพระคุณโดยการตอบแทนเช่นเดียวกันอย่างที่เขาได้ช่วยเหลือเรามาหรือมีการตอบแทนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองพระมหาบรุษนั้นย่อมติดตามช่วยเหลือสหายในอันตรายทั้งหลายก็แปลว่าคบผู้ใดก็คบด้วยความ จริงใจที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ไอ้คาว่าจริงใจในที่นี้ก็คือจริงใจที่จะช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์พระมหาบุรุษนั้นกำหนดรู้ตนและสภาพปกติของสหายเหล่านั้นเหล่านั้นแล้วอยู่ร่วมกับสหายเหมือนที่เคยอยู่ร่วมกันมาเนี่ยนะก็รู้เลยรู้นิสัยของตัวเองเป็นอย่างดีรู้ว่า ปกติมิสหายทั้งหลายเป็นอย่างไรแล้วอยู่ร่วมกับมิสหายอย่างไรโดยที่ไม่มีปัญหาเนี่ยนะไม่สร้างปัญหาใหม่ๆขึ้นมาเรียกว่าคบเพื่อนเป็นเนี่ยนะคือบางคนเนี่ยคบเพื่อนไม่เป็นไอ้เพื่อนที่ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วยิ่งคบมากก็ยิ่งหายไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะพระกว่าไม่รู้จักตัวเองไม่กําหนดสภาพของตัวเองไม่รู้จักปกติของพรรคพวกก็เลยเกี่ยวข้องกับคบกับสหายมากก็ทะเลาะกันเนี่ยนะเจอหน้ากันเมื่อไหร่เป็นได้ทะเลาะกันเป็นต้นก็ไม่มีประโยชน์อะไร อเ น, น่งปฏิบัติในสหายอย่างเหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติมาด้วยให้พ้นจากอากุศลแล้วก็ช่วยเหลือสหายเหล่านั้นให้ตั้งอยู่ในกุศลไม่ใช่ให้ตั้งอยู่อย่างอื่นก็แปลว่าไม่ใช่เจอเพื่อนมาอล้วชวนกันไปล่าสัตว์ดีกว่าไม่ใช่ชวนกันไปรักไม่เด็กนะมีมีเพื่อนคนหนึ่งไหมชวนไปลักอ้อยชวนไปลักอ้อยอีครั้งหนึ่ไปลักอ้อยสวนตาแล้มีมสวนตาบ่อยก่อนอ้อยอ้อยอ้อ ย, ออยหีบอะ อ้อยแบบสวนอ้อยอ่ะนะมันไม่ใช่มันแข็งน้อยน้อยมันแข็งจริงๆนะแข็งโปกเลยนะเคี้ยวจะฟันกับผักนั่นแหละเพื่อนชวนไปลักโอ้โยเกิดมาจะไปลักอ้อยครั้งแรกไปลักหักอ้อยได้สามสี่ต้นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสวนอ้อยเนี่ย น, นะมาแล้วก็โอ้โยวิ่งตามแล้ววิ่งเงินป่าราบเลยวิ่งไปทั้งสองกิโลนะั้มันยังตามมาอีกตามมาแล้วจับได้ จับได้โอยใจนี่อยู่ที่ที่เท้าหละโอ้ยตกใจมากจับแน่ว่าจับถูกจับได้แล้วว่าทําไงแล้วก็สอบถามว่าลูกหลานไข่เมืงนั้นพาไปบ้านยายว่าเร า, เ ร, าเรียกว่าคนละหมู่บ้านห่างบ้านเกิดเนี่ยตั้งหลายกิโลนะห้าหกิโลหมายนั้นเด็กๆเกนี่ยไกลามากนะโอ้ยเพื่อนชวนไปเนะี่ยเอาไปจับไ ป, ไปส่งถึงยายเลยนะโอ้อยอายแทบตายแล้วก็แทบเข็ดจนตายเลยลักอ้อยเนี่ยนะเห็นตรงนั้นนี่หมา หืออายมากเลยนะมัน ก, ก็เด็กๆนะนะเราว่าเพื่อนบางคนชวนไปรักอ้อยเนี่ยแหะเศร้าใจไปถึงทุกวันเนะี่ยไม่น่าไปเลยเนี่ยนะนะไปหักอ้อยอแล้วก็แข็งป๊อกมาเด็กเคี้ยวแบบกรอบหวานมันอะไรที่ไหนหรอกเคี้ยวฟันก็แทบหักอะมนะันแข็ง อ, อ้อยที่เขาอะไรเข้าโรงน้ําตาลอ้อยนะนะอั่นแหละเคยไป่ักอ้อยใจสูงต่ำนั่นนะนะวิ่งเหนื่อยเป็นวิ่งเป็ น, ป น, ป น, ปนกิโลอยังตามมาอีกอู ก็เด็กๆนั้นจะไปวิ่งได้ยังไองอ่ะนั่งคือไม่ใช่ว่าแต่เจอเพื่อนแล้วก็ชวนไปปานาธิบาชวนไปอาทินนาทานเจอเพื่อนก็ไปกาเมสุมิชาจารย์ชวนเพื่อนมุสาวาดกินน้ําเหล้าเมาสุราเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่ชวนกันไปในลักษณะนั้นคือถ้าเป็นพระมหาบุรุษพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็จะให้เขาออกจากอากุศลธรรมทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในกุศล เพราะการตามรักษาจิตของผู้อื่นของพระโพธิสัตว์ก็เพียงเพื่อความเจริญอย่างยิ่งเท่านั้นที่เหมือนกับว่าหัวง้อเขาเอาใจเขาก็เพื่อให้เขาเจริญ น, นะให้เขาเจริญด้วยบุญด้วยกุศลหลายๆเรื่องเนี่ยทำตัวเหมือนกับยอมคนอื่นหลายอย่างแต่จริงๆเนี่ยยอมเพื่อให้เขาได้ตั้งอยู่ในกุศลไม่ได้ยอมเพราะกลัวไม่ได้ยอมเพราะแบบงอ้อแบบอะไรไม่ใช่แต่ยอมเพราะว่า เมื่อยอมอย่างนี้แล้วเขาจะออกจากอากุศลแล้วดํารงมั่นอยู่ในกุศลเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงไม่ควรเบียดเบียนสัตว์เนี่ยนะก็โดยปกติพื้นฐานแล้วท่านจะไม่เบียดเบียนสัตว์ท่านไม่ทะเลาะกับสัตว์เพราะนั้นเป็นผู้ที่ไม่เก้อเขินเรียกว่าเป็นคนที่มีความองอาจอยู่ในตัวเนี่ยนะไม่ใช่เป็นคนที่ง้อยจ้องไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ชวนใคร ทะเลาะจึงไม่เป็นคนที่เก้อเขินเนี่ยนะ